ไม่คบคนผานให้คบบัณฑิตวันนี้จะพูดถึงกิจวัตรของชาวบ้านในมงคลละสูตรท่านแสดงไว้ว่าอาศัยวนาจะภาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลรมุตตมังการไม่คบคนผานหนึ่งการครบแต่บัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลผู้ควรบูชาหนึ่ง คนพาลมีลักษณะสอแสดงให้เราเห็นว่าการทำก็ไม่ดีเป็นทุจริตการพูดก็ไม่ดีเป็นทุจริตแม้แต่ความคิดก็ทุจริตกายทุจริตคือกายประพฤติชั่ววาจาทุจริตคือวาจาพูดชั่วใจทุจริตคือใจคิดชั่วคิดชั่วแล้วทำความชั่วแสดงออกมาทางกายทางวาจาอันนี้เป็นลักษณะของคนพาล บรรดิตก็มีลักษณะ ans, การทำก็สุจริตการพูดก็สุจริตการคิดก็สุจริตการกระทำทางกายเป็นสุจริตคือเป็นการถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองการพูดก็เป็นสุจริตคือพูดถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมืองอันนี้เป็นลักษณะของบัณดิตทีนี้ความประพฤติระหว่างเรากับคนพาณ คนพาลชอบชักจูงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามยกตัวอย่างเช่นชวนไปกินเหล้าชวนไปเล่นการพ น, นันชวนไปเที่ยวตเตรเมื่อเราครบคนพาลบ่อ ย, อยเพราะการชักจูงของคนพาลบางทีเราอาจจะเผลอสติคล้อยตามการชักจูงของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เว้นจากการครบคนพาลส่วนบัณฑิตจะชักจูงไปในทางที่ดีที่ชอบชวนให้ประพฤติดีประพฤติชอบ ที่แนะแนวทางการทำงานเพื่อการทำรมาหาเลี้ยงชีพช่วยเหลือกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เราอันนี้เป็นลักษณะของบัณฑิต